พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าอยห้าสิบหมีชื่อเรื่องว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ ธันวาคมพุทธศักราช2556นับจากวันนี้ไปถึงวันพระราชทานเพลิงศรีระของหลวงปู่เราเป็นเวลา11วันใกล้เข้ามาละนะขนา้าราทธาญาติโยมลูกหลานใครอยู่ในสถานะไหนอยู่ในจะช่วยเหลือจุดไหนจะทำหน้าที่อะไรก็ขอให้พวกเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอ่า คำว่าดีที่สุดคืออะไรพวกเราทุกทุกท่านก็อยู่ในใจของพวกเราทุกคนวันนั้นขอให้พระลูกผ้าหลานทั้งหลายใครอยู่ในหน้าที่อะไรก็ขอให้ช่วยๆกันทำหน้าที่และคณะศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกันขอให้อยูอ่ยืนตรงสู้กับงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก ครัทั้งหลายน้ําปานะถวายพระหรือ ว, ว่าครัวเลี้ยงพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมงานก็ขอให้ทําด้วยความตั้งอกตั้งใจเรื่องวัตถุดิบถ้ามันขาดเหลือขาดตกก็บอกกับคณะกรรมการเหรือบอกกับหลวงพ่อจะพิจารณากันเป็นเรื่องราวเพื่ออยากจะให้งานองค์หลวงปู่ของเราสําเร็จทุลุ่งไปด้วยดี แต่ถึงยังไงก็ตามนักขันตถา ญ, ญายาโยมเรื่องความพอใจหรือไม่พอใจหรือความอิจฉาหรือโล ก, กธรรมพร้อมที่จะเกิดได้ทุกการสถานที่ทุกเวลาทุกกับคนพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าแถวในการดูแล เอพระราชทานงานในคราวนี้หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าโล ก, กธรรมมันต้องเกิดอสิ่งที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถึงยังไงถึงข่าวจบมันก็ต้องจบแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะคิดอย่างหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราห้ามไม่ได้เหมือนกับพวกเราจะตายอย่างนั้น่ะถึงข่าวตายเราก็ต้องตาย เราจะไปอยู่ช่วฟ้าดินสลายได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันโลกกระทเขาจะดูด่าว่ากาวก็เป็นปากของเขาจะทำยังไงเราห้ามปากเขาก็ไม่ได้เหมือนกับห้ามเราเดินไปหมาเห่าเราเนีน่เราอย่าไปบอกให้หมาจะหาเห่าเราเนะี่ยมันไม่ใช่วิสัยของเราที่จะไปห้ามเขาแต่ว่าหมามันก็ททำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่ทุกเพราะปกป้อง บ้านของเขาเรือนของเขาเคหยรตานของเขาแต่ถึงยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทําให้จิตใจมั่นคงอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันมีอย่างไงมันก็ต้องมีอย่างนั้น เ, เราก็ต้องเพื่งบุญบา ร, รมีขององค์หลวงปู่อีกเหมือนกันหลวงปู่คงอยากจะให้เป็นอย่างนี้มั้งหรือจะให้เป็นอย่างนั้นมั้งเ อ, เอาก็ทํายังไงได้ จะคงจะเป็นบุญบารมีของหลวงปู่ด้วยของพวกเราด้วยอ ะ, อะไรจะเกิดคําว่าโลกกระทำคานี้นะ่ะเราต้องการปรารถนาสีา่อย่างไม่ปรารถนาสีา่อย่างโลกกระทำแปดมีลาบเราต้องการเราต้องการมีลาบมีมีเงินมีทองมีลาบเสื่อมลาบเราไม่ต้องการเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียเสียง เสียยศสาบรรดาศักย์เนี่ยเราไม่อยากจะเสียเนี่ยว่ามีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศนินทาสารเสริญมศกทุกเนี่ยมันเป็นคู่คู่กันอแต่เราจะห้ามอยากอยห้ามว่าอยากเกิดนะโลกธรรมอยากเกิดกับข้าวไปเจ้านะก็ไม่มีใครที่จะห้ามได้อีกเหมือนกันเพราะมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอบางทีมันอยู่ในปากของเขา เขาจะดูถูกเย็บยา บ, บดินทาเราเราก็ยอมยอมให้เขาพูดเพราะเหตุอะไรเพราะมันปากของเขาแต่มันผิดไปแล้วเนี่ยเรายังค่อยว่ากันคุณพูดผิดหรือคุณพูดถูกคุณควรจะเข้าคุกเข้าตารางหรือไม่หรือปรั บ, รบหมายใช้โทษอย่างไรถ้าว่าเรารู้ถ้าไม่รู้เราก็แ ล, แล้วไป เ, เหมือนกระลมกระแล้งพัดผ่านไปจะทำยังไงได้ เพราะมันเป็นปากของเขาเป็นเรื่องของเขานี่แหละแต่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่ายินดีในส่วนที่ เ, เขายกย่องอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่พึงปรารถนาอย่ายินดีในสิ่งที่พึงปรารถนาอย่ายินร้ายในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าทาใจให้เป็นกลางๆง ทำใจให้เป็นกลางๆไม่ให้ยินดียินร้ายแต่มันก็ทำยากนะขณัทธาญาติโยมลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ต้องทำถึงจะทำยากขนาดไหนก็ต้องทำเพราะเหตุใดเพราะมันเป็นเรื่องของเขาคนไ ม, ม่ไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกขนาดพระพุทธเจ้าของเราถูกนินทาไม่รู้เท่าไหร่นางกินจามนวิ ก, กาใส่โทษพระพุทธเจ้า ต่อสาธารณชนในที่สาธารณชนนาง อ, อ, อะไรที่ด่าพระพุทธเจ้าจ้างคนมนดาด่าพระพุทธเจ้าทั่วบ้านทั่วเมืองออจนพระอนุนที่เป็นพุทธอุปถากน้อยเนื้อต่ำใจขอพระขอพระธองค์ไปเมืองอื่นเถิด เ, เมืองนี้ดูดูแล้วเขาดา่า ไปที่ไหนเขาดา่าสำนักหัวร้นสำนะกขี่ขอสำนะอะไรก็าก็ด่าไปคนทั้งบ้านทั้งเมืองดา่าแต่พระนรูนี่ท่านยังเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านรับไม่ไหวออขอพระองค์เสด็จไปเมืองที่เขายกย่องเสนอเถินเสนิ่มีอยูออ่ไม่ใช่ว่าเราจะอดอยากเนี่ยแต่เราก็มาขอพระองค์ก็เป็นผู้มีเมตตาต่อเขาเท่านั้นแต่เขาก็ยังมาด่าอย่างนี้ ขอพระองค์อย่าได้อยู่ในเมืองนี้เลยไปเมืองอื่นเถอะพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่าถ้าไปเมืองอื่นนะอานอน์ถ้าเขาดา่าอีกถ้าไปเมืองอื่นถ้าเขาด่าก็ไปเมืองอื่นเองถ้าเขาด่าเมืองนั้นนะไปอกีกอย่าเลยอานอน์ถ้าหากว่ามันเกิดเรื่องอยู่ที่ใดควรจะอยู่ที่นั่นให้เรื่องสงบซะก่อนอันนี้เป็นวิสัยของพุท ธ, ธะจากนี้ไปเจ็ดวันนะ เออคือเข้าด่าพระพุทธเจ้าไม่เกินเจ็ดวันหายเงียบอีกคอยไปทักเจ็ดวันเออมันเรื่องสงบซะก่ขขอนมีอะไรยังค่อยว่ากันนีพ่พระพุทธเจ้าก็เจดิตประทับอยู่ที่นั่นพอถึงเจ็ดวันแล้วก็หายเงียบไปจริงๆเหมือนกับฝนตกหาแรงๆแล้วก็หายไปอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นอะ่ะเออเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพบอันนี้เป็นอํานาจของพุทธพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญมา แต่อำนาจของพวกเราไม่ว่าละเขาด่าไปก็ไม่ทุกข์กี่เดือนกี่ปี เ, เพ้อเ พ, อเพ้อแล้วกันเรื่องเท็จเรื่องจริงเขาก็ด่าไปเรื่อยแต่แต่ที่จะทํำยังไงได้เพราะปากของเขาเราก็ต้องยอมรับอยอมรับโดยดุลสนีไม่โต้ไม่ต่อเถียงไม่ต่อล้อต่อเถียงจะว่าอะไรก็ว่าไปอถ้าใครทํากรรมอันไหนไว้กรรมันนั้นจะตามสนองอย่างหลวงปู่จามท่านเคยพูด ท่านบอกว่านรกยังไม่เต็มสวรรค์ยังไม่เต็มถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็พร้อมที่จะเปิดอ้ารับในการพูดในการกระทําในการทําความชั่วของเขาอยู่เอาเถอะเออเราก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเรามาปฏิบัติถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่เชื่อผลกรรมหรือผลของกรรมเหรอเออกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว คุณแม่ชีแก้วท่านบอกว่าโลกในโลกหาได้ใครจะหาอะไรก็พร้อมที่จะหาได้หานรกหาเอออเวจีใส่หัวตัวเองก็ได้หาสวรรค์นิพพานใส่ตนเองก็ได้เพราะนั้นโลกในโลกหาได้พวกเราจะหาอะไรหลวงพ่ออินขอบิณฑบาตขอร้องคณะทศัทยญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านก็ขอให้หาในสิ่งที่เป็น ทำที่เป็นที่เป็นทางความสุขความเจริญอย่าไปหาเถอะไอ้สิ่งที่ความหายานณะความจีบหายหานรกหาเอเวจีใส่ตัวเองนะเน่ยมันไม่ถูกต้องเพราะเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สอนศีลธรรมให้กับพวกเราแต่เรากลับไปหาสิ่งที่ชั่วช้าลามกชั่วช้าเลี้ยวซามไม่อันนั้นไม่น่าจะถูก พวกเราควรจะสวดแสวงหามรรคผลนิพพานควรจะหาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจคิดดีทําดีพูดดีฮคิดยังไงจึงคิดดีให้เป็นคนมีสติอยู่กับตนเองแล้วก็คิดไปนในทางไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนคนอื่นอไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดอยากทํานองครองธรรมนี่แหละคือคิดถูกนะ อ่าที่คิดถูกก็คือคิดไม่ไม่โลภอยากจะได้ของเขาไม่พยาบาทปลองร้ายเขาไม่เห็นผิดอยากทำนองคลองทำคำว่าทำนองคลองทำคำนี้หละกว้างขวางมากาทำอันไหนที่พวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรควรจะมีศีลห้าอย่างไรควรจะมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนะี่ย ก่อนที่จะม า, าทำอะไรกับงานสลริละของหลวงปู่ของเราเราต้องคิดดีแล้วเสียสละทุกอย่างเงินคำทรัพย์สมบัติเราไม่ได้มาเพื่อจะหวังกอบโกยเงินมิจะมาเสียสละร่วมกันเสียกับสละกำลังร่วมกันเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้งานของหลวงปู่สำเร็จร่วงไปด้วยดีด้วยดวงปู่เป็นที่รักเคารพของลูกของหลานของพระของเนนทุกอง ถ้าพวกเราไม่รู้จักรือว่ไม่เคารพรักในองค์หลวงปู่เรามาอยู่เพื่ออะไรมาเกาะ อ, อยู่อย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกเราพวกเรามาเสียสละมาช่วยกันทําการทํางานเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงปู่เพราะนั้นขอให้พระนรัตธาญาจมลูกหลานพระเนรทุกองค์เน้ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะหลวงพอว่ออะไรจะเกิดมันจะต้องเกิดเหมือนกับพวกเราเนะ่ยเกิดมาแล้วนะ อะไรมันจะตายมันก็ต้องตายถึงข่าวมันจะอยู่โชคฟ้าดินสลายได้อย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะขอให้พวกเราทุกๆคนทุกๆท่ททานน ะ, ะมั่นคงให้จิตใจมั่นคงเรามาอะไรเราต้องการอะไรเราหวังอะไรถามตัวเองมีแต่ว่าเราหวังเพื่อจะให้งานของหลวงปู่สําเร็จรูปห่วงไปด้วยดีอีกไม่กี่วันนะคะ่ะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะสิบเอ็ดวันนะจากนี้ไป อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดยอมรับหมดทุกอย่างเรายอมรับหมดทุกอย่างจะทำยังไงได้พอที่ผู้ที่อิดช้าหรือว่าผู้ที่บอกล่าวแล้วก็ยอมรับท่านใจเยพูดก็พูดตามอำเภอใจนะอยากจะทำอะไรก็ทำเลยพูดเลยอยากจะทำอะไรก็ทำตามความสบายใจของท่านเลยเราเปิดโอกาสแต่ว่าบาปกรรมนั้น ที่ท่านกระทำนั้นท่านรับเองก็แล้วกัน ถ, ถ, ถ้าท่านถ้าทํากรรมดีกรรมดีก็จะเข้าสู่จิตใจของท่านถ้าท่านทำกรรมชั่วสิ่งที่พูดชั่วคิดชั่วทําชั่วคิดไม่ถูกนะอันนั้นกรรมตอนนั้นเป็นของท่านเองท่านจะต้องรับจะให้คนอื่นรับไม่ได้แต่ที่พวกเราจะมาให้คนใครดูดา่ว า, าว่าเก่าดูถูกเหยียดยามเรานั้นเราสุดวิสัยตัวพวกพวกเราสุดวิสัยที่จะมาให้ คนพูดดูด่าว่ากล่าวเราอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านแต่ก่อนที่พวกท่านจะทําอะไรให้พวกท่านคิดให้ดีกันแล้วกันถ้าพวกท่านเป็นคนดีนะถ้าว่าเป็นคนท่านเป็นพาและชนแล้วก็เอาตามเปิดให้ตามความสมัครใจของพวกท่านทั้งหลายแต่พวกคณะทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายพระเนรทั้งหลายได้ยินคํานี้ออกมาเอทออําไมหลวงพ่ออี๋นี่พูดแปลกๆไป จะค่อยดูก็แล้วกันนะลูกๆหลานๆนะคณะสัทยาญาติโยมนะมันแปลกนะหลวงพ่อจึงพูดให้ฟังถ้ามันไม่แปลกหลวงพ่อก็คงจะไม่พูดนะเนี่ยพอหลวงพ่อเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้มันสูงนะลมไถน่อยมันก็พัดผ่านอยู่บนบนมันโอนเอ็โอนเอ็นพราะลงพัดเนี่ยเพราะนั้นหลวงพ่ออยู่อยู่เบื้องบนมองดูแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเอ กับลูกกับร้านกับวงการของเรากับงานของเราเรื่องอะไรหลวงพ่อขนาดนะ่ะแย้มแย้มให้ฟังเออโลกกระทำแปนะลูกหลานนะมีสนทงสนเทมานะให้ระมัดระวังนะให้มั่นคงนะลูกหลานนะให้มั่นคงนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะลูกหลานนะนี่หลวงพ่อก็พูดได้เพียงแค่นั้นนะ อ, อต่อไปรับพรในตเนนนะอนุโนะมทนาให้พร